อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็อย่าทิ้งนะชมพูทิ้งไปแนละ้ว บอกหนึ่งนาทีอย่าทิ้งนะชมพูพยักหน้าบอกทิ้งอยู่ล่ ะ, ะ <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรนะหายใจไว้พอเราหายใจอยู่แล้วอย่าหายใจทิ้ง <c oughs> กรรมฐานหายใจนะมีสติรู้การหายใจ <c oughs> เป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้สำหรับทุกจริตนใส่ อานาปนาสติถ้าเราทำถูกต้องมันจะแปลสภาพเป็นอานาปนาสติสมาธิพระเจ้าท่านเคยสอนนะว่าอานาปนาสติสมาธินี่อันบุคคลเจริญให้มากนะเจริญให้มากเจริญบ่อยๆจะทาให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ สติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากจะทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์และโพชฌงค์เจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากและทำให้วิชาและมิมุติบริบูรณ์เราไม่รู้ว่ามันจะไปเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่หน้าที่เราทำให้เจริญ จเจริญอยู่ยเรื่อยๆเจริญสตินี่แหละทำให้มากนานๆจเจริญทีหนึ่งเขาไม่จเจริญหรอกงั้นเรามีเวลานิดๆหน่อยๆอย่างเราเป็นชรวาสเนี่ยไม่ได้มีเวลาทั้งวันแบบพระระบบของพระเนี่ยสร้างขึ้นมาเรื่อกูลกับการปฏิบัติมากที่สุด พระเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเนดะินมาไหวพระสวดมนมต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําไปถึงเวลาก็ออกไปปิดตาบัตรปินต บ, บาตรก็ไม่ได้แปลว่าไม่ปฏิบัติทุกก้าวที่รู้สึกทุกก้าวที่เดินไปรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกกายแต่ใช้อานาพนสติก็คือก้าวไปก็ยังหายใจยรู้สึกอยู่อีกหายใจออกหายใจเข้ามันทำหายใจทั้งวันอยู่ละ เวลาฉันข้าบางวันได้อาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากคือได้บาดเปล่าๆกลับมาไม่มีอาหารอาหารเลยไม่ถูกปากบางวันอาหารไม่ถูกใจมีแต่มันไม่อร่อยอย่างที่ใจอยากใจไม่มีความสุขเจริญสติอยู่ก็เห็นใจไม่มีความสุข ได้ของที่ชอบใจือดีใจมีความสุขหเห็นอีกจิตใจมีความสุขไม่จะทำอะไรเนี่ยนะในชีวิตปลาจริงๆนะเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เกื้อกูลกับการปฏิบัติมากที่สุดเลยเพราะไม่ต้องไปคิดเรื่องธรรมหากินการคิดเรื่องธรรมหากินเนี่ยเอาเวลาของเราไปเกือบหมดชีวิตเลยโ<ม><ม>ดยเพราะคนที่กินไม่เลิกรวยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอ พวกนี้ไม่มีเวลาเหลือที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนถ้าเราต้องทำงานก็ทำไปช่วงไหนมีเวลานาทีสองนาทีถนะ้เก็บให้หมดเลยทำอะไรไม่ได้ก็หายใจไปด้วยความมีสติมีจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายหายใจอยู่นะการที่เรามีจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายหายใจอยู่ไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจนะคนละแบบกัน อานาปรนสติก็มีหลายแบบแบบหนึ่งเราไปจ้องอยู่ที่ตัวลมหายใจจนลมหายใจระ ง, งับใครเป็นแสงลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตพอเป็นแสงเรียกว่าอุคหะนิมิตในส่วนก็เล่นได้นะกำหนดได้ย่อได้ขยายได้นี่เรียกปฏิภาคนิมิตตรงนี้ได้อุปจารสมาธิตัวที่จิตเข้าเคลียร์อยู่กับแสงนะเรียกว่ามีวิตกจิตตรึกอยู่กับแสงนะเป็นวิตตุ จิตเข้าเคลียร์อยู่กระแสงเรียกว่าวิจารนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปไหนเข้าปฐมฌานนี่เส้นทางนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อสติปัฏฐานนะเส้นทางนี้เป็นไปเพื่อสมาธิสงบหรือจะมีฤทธิ์มีเดชอย่งทาลมหายใจรู้ลมหายใจนี่คือกระสินลมนะจากกระสินลมนะถ้าไปรู้รูจมูก เป็นกะสินช่องว่างนะอากาศกะสินตรงนี้จนะมันเป็นแสงแล้วไปดูแสงสว่างอนะันนี้ไปรู้แสงนะเป็นแสงได้เีกะสินอีกนะกะสินทั้งหมดนะลงท้ายไม่ด้เป็นแสงนะทั้งสิบอย่างกลายเป็นแสงแล้วคราวนี้จิก็ เ, เข้าฌานพักอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นไปเพื่อการเจริญสติปัฏฐานสี่ นี่อนาปนาสติที่เป็นไปเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยหายใจออกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี้ยฝึกไปเรื่อยๆ่มันจะเริ่มเห็นว่ากายกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มแยกจะเห็นว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นได้แล้วก็จิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตรที่เรามีสติเป็นกายหายใจอยู่นเรียกเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏ ฐ, ฐานมีจิตเป็นคนดูนะนพอรู้ไปเรื่อยๆนะจิตจะมีความสุขขึ้นมานะเราไปมีสติรู้ความสุขหายใจออกมีความสุขก็รู้หายใจเข้ามีความสุขก็รูนะ้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยูนะ่นี่เรียกว่าทำเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน แล้วเจริญอนาปพนสติสมาธิที่ถูกต้องนะจะเห็นสติปัฏฐานงั้นถ้าใช้คำดีนะใช้คำว่าอนาปพนสติสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากการทำอานาปพนสติเป็นสมาธิที่ถูกด้วยไม่ใช่สมาธิแบบหรือสีสว่างสว่างไปเฉยๆถ้าจิตมีความสุขเนี่ยเราจะเห็นมีความพอใจแทรกเข้ามานะ มีความพอใจแทรกเข้ามาพอจิตมันมีความสุขขึ้นมาก็เกิดความพอใจเรามีสติรู้ทันความพอใจนั้นเรามีสติรู้ทันความพอใจเรากาลังเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่รู้ทันความปรุงแต่งของจิตซึ่งมันปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอันนี้ปรุงโลภขึ้นมาชอบชอบบกชอบใจในความสุขต่อไป เราก็จะเห็นอีกนะฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่าทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่หายใจอยู่นะความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกที่เป็นกิเลสนะอย่างความพอใจเนะี่ยมันมีกิเลสอยู่มันไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เราขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนะ เพราฉะนั้นการที่เราหายใจแล้วเรามีสติรู้อยู่เรื่อยๆนะจะทําให้สติปัฐานสี่บริบูรณ์การเจริญสติปัฐานสี่อยู่ก็คือการมีสตนะิก็คือการมีสติสัมโพชฌงนะสติสัมโพชฌงเป็นสติปัฐานไม่ใช่สติธรรมดานะไม่ใช่เดินไม่ตกถนนแบอกว่าจเจริญโพชฌงอยู่ไม่ใช่เนะฉะนั้นเป็นสติปัฐาน การที่เราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจไปเรื่อยๆนะเห็นความจริงของเขาไปเรื่อยๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะนะธรรมวิจยะสัมโพธิชนะสงสัยว่าคนแปลจะสาหัสหน่อยนะอันนี้ไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไปไตน มีซีดีอยู่แล้วก็ไปแปดเราส่งให้เขาฟังก็แล้วกันนะในการที่เราเห็นใจรักไปเรื่อยนะเราทำธรรมวิจัยยะวิจัยธรรมะนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่เลิกมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อ น, นั้นนะตลอดเวลาเลยอีนี้เรามีวิริยะอยู่เมื่อไรมีสติเมื่อ น, นั้นมีวิริยะนะมีความเพียรเมื่อไหรขาดสติเมื่อ น, นั้นขาดวิริยะ งันะนะ้วิริยะสัมโพชงไม่ใช่ขยันธรรมหากินวิริยะสามโพชงก็คือขยันเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน<ด>พอทําไปเรื่อยๆนะจิตใจมจะมีปิติเป็นปิติของธรรมะไม่ใช่ปิติจากสมาธนะิเป็นปิติจากการเจริญธรรมะอย่างบางทีเราภาวนาไปแล้วเร า, าเกิดปัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะบางอย่างขึ้นมาจิตจะเบิกบานใครเครเป็นไหมไม่ได้เข้าสมาธินะแต่เกิดความเข้าใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเข้าใจปุ๊บนะจิตเบิกบานมีปิติขึ้นมาเลยนี่เป็นปิติในพวกชงนะแล้วเราก็รู้ทันมีสติรู้ทันอีกปิติจะค่อยสงบระงับลงอะมีปัสสถานิเกิดขึ้นมีความสงบระงับเกิดขึ้นและวจิตก็จะมีสมาธิคราวนี้ยสมาธิตัวเนี้ย เกิดหลังจากที่ได้เจริญปัญญามาเต็มเหนียวแล้วนะเจริญปัญญาเต็มเหนียวแล้วจิตมีสมาธิอยู่แล้วก็จิตจะเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาด้วยปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาธรรมดาเพราะว่าโพชฌงนี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยเริ่มจะมีสติสติปัฏฐานนะก็คือการเจริญสติเจริญปัญญาแต่พอถึงธรรมวิจยานี่เรื่องปัญญาหมดลวนะวิริยะก็คือขยันเจริญปัญญาอยู่ สุดท้ายจิตจะเข้าสู่อุเบกขานะตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญถ้าเราภาวนาแล้วจิตไม่เกิดปัญญานะไม่ถึงอุเบกขานะมรรคผลยังไม่มีทางเกิดเลยเวลาที่จิตเกิดปัญญายกตัวอย่างเช่นเราหายใจไปจิตมีความสุขเราก็รู้นะหายใจไปความสุขหายไปเราก็รู้หายใจไปจิตมีความทุกข์เราก็รู้ หายใจไปความทุกข์หายไปเราก็รู้อย่างเงี้เราเห็นซ้ำซํำๆนะทั้งสุขทั้งทุกข์เนะี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกสุดท้ายปัญญามันปิ๊งขึ้นมานะว่าสุขทุกข์เท่าเทียมกันสุขทุกข์เนะี่ยเป็นของเท่าเทียมกันนะดีกับชั่วก็เท่าเทียมกันเพราะเกิดแล้วดับเหมือนกันเท่าเทียมกันในในฐานะของไตรลักษณ์นะในในมุมของไตรลักษณ์เท่าเทียมกันแต่ในทางจริยธรรมไม่เท่าเทียมกัน นะดีกับชั่วเนี่ยจะมาเท่าเทียมกันในทางจริยธรรมไม่ได้แต่ในทางที่เราเดินวิปัสสนาอยู่ในเท่าเทียมกันในแง่ของไตรลักษณ์คือเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันเนี่ยจิตมันเห็นความจริงนะสุข ก, กับทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันงะั้นเวลาที่เกิดสุขนะจิตไม่หลงดีใจนะเวลาเกิดทุกข์จิตไม่หลงเสียใจนะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นอุเบกขาละไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัวนี้สําคัญมากเลยนะ ถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ไปสร้างภพใหม่นะจิตจะไม่สร้างภพขึ้นมาถ้าจิตไม่เป็นกลางนะยังยินดียังยินร้ายจะเกิดแรงผลักแรงผลักให้จิตทำงานต่อไปอีกนะจิตจะสร้างภพวิจิตมันทำงานต่อไปอีกสงสายคนแปลภ า, าษาไทยก็ปักยากแล้วเนาะแต่ได้บ้างแบบได้นะ ถ้าแต่เทศการ น, นี้สำเร็จนะเก่งเลยนะต่อไปนี้เทศอะไรก็ไม่ยากแล้วจิ๊บนะดีใจว่าวันนี้ตัวเองไม่ใช่คนแปล <c oughs> ดูตัวอะไรหัวลวนะมีสติไหมนะี่เราขาดสติเราพร้อมที่จะถิง้งนึออกไหมเวลามีอะไรให้ดู เราก็ทิ้งการมีสติเราไปดูสะก่อนเวลาฟังอะไรคำๆนะเราก็ทิ้งการมีสติไปตั้งใจฟังใช่หไหเรือเพลินในการฟังนะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเราทิ้งสติตลอดเวลาเราจะมาบ่นนะว่าปฏิบัติมาตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนไปอีกเจ็ดวันแนะยังไม่ได้กระทั่งโสดาใชว่าแต่เป็นพระอรหันต์หรืออนาคาเลยนะโสดายังไม่ได้เลย ไอ้นั่นเจ็ดปีเนี่ยนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติส่วนชั่วโมงที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงเจ็ดปีอาจจะไม่ถึงเจ็ดวันนะช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติจริงๆไม่ถึงเจ็ดวันปฏิบัตินี้เดี๋ยวหลงเยอะมีสติน้อยหรือปฏิบัติแล้วก็หลงลาดไปเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมใจากลายเป็นแสงก็เพ่งแสงอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่ทําให้เกิดมรรคผลนิพพานอะไรนะ งันส่วนใหญ่ที่เขาฝึกสมาธิกันนะมันจะพลาดเข้าร่องนี้หมดเลยนะมันเลยไม่ค่อยมีใครบรรลุมาผลนิพพานจากการฝึกอานาปนาสตินะเพราะว่าพลาดอานาปนาสติไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะหลวงพ่อเล่นอยู่ยี่สิบสองปีเรียกว่าคุยอวดเลยว่าชํานาญอยู่นะจะทําสงบก็ได้นะจะทําให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นท่าเห็นกันทำงานนะอย่างนี้ก็ทำได้แล้วจิตปติปนะิของโลงพ่อเนะี่ยเป็นจิตผู้รู้อยู่ไม่ใช่จิตผู้หลงจะเลียวซ้ายและขวาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหมดเลยเนี่ยกายานุตัสสนาอยูนะ่มีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในกายรู้หมดเลย นะหรือมีความสุขมีความเป็นอุเบกขาเกิดในใจอะไรย่างนี้ก็เห็นอยูนะ่อะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็เห็นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเวทนานุปัสสนะบางทีจิตก็เกิดปัญญาบางทีจิตไม่เกิดปัญญาเนะีนะ่ยเป็นจิตตาโนปัสสนาะรู้ทันจิตอย่าให้ใจทิ้งนะ เห็นใจแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูก็ฝึก อ, อย่างนี้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทําไรเราก็ต้องหายใจอยู่ที่บ้านก็ต้องหายใจใช่ไหมงั้นไม่จาเป็นต้องมาภาวนาที่วัดนะอยู่ที่บ้านก็หายใจอยู่แล้วหายใจแล้วรู้สึกในใจแล้วรู้สึกตัวไปรู้สึกไปแล้วมีความสุขขึ้นมาก็รู้ ถ้าไม่รู้สึกในความสุขก็เห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนะี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ยากอะไรนะอยู่ที่ตั้งใจจริงที่จะทำทำให้มากจเจริญให้มากมากผลนผิพพานไม่ไปไหนโพชฌงเจตบริบูรณ์วิชาอะไรวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นนะเราทำโพชฌงเจดเจริญไปเรื่อย้นสตินี่แหละ ให้ถูกต้องเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปแล้วพจนชงเจตเนี่ยจเจริญถ้าเราทาได้มากทาได้บ่อยๆจะทำให้วิชาและวิมุตตเกิดขึ้นวิชาเป็นตัวปัญญาชั้นสูงให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจวิมุตต์ก็คือความหลุดพ้นของจิตพอจิตรู้แจ้งอริยสัจแล้วจิตแค่ปล่อยวางรูปนาม ปล่อยวางรูปนามปล่อยวางกา ย, ยวางใจได้งั้นตรับย์ใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังไม่ปล่อยวางงั้นวิชาไม่เต็มมิมุติก็ไม่มานะมิมุติสุดท้ายนี่ไม่มีเราพ่อตอนบวชใหม่ๆนะภาวนาไปเนะีใจมันรู้สึกท้อใจเหมือนกันมีนะท้อท้อใจว่าโอ้เราสติเราเต็มที่แล้วนะหมุนซ้ายหมุนขวารู้สึกหมดเลยนะ นอนอยู่หลับอยู่เนี่ยวกัพลิกตัวอะไรนี่รู้หมดเลยสติเต็มที่แล้วทำไมมันไม่ได้มรรคได้ผลน ะ, นะทำไมกิเลสยังมีอยู่เนี่ยฟังแล้วท้อใจท้อใจรู้ว่าจิตขาดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจิตขาดอะไรเนี่ยมันถึงจุดตรงนี้รู้ว่ามันยังขาดอยู่ยังไม่พอแต่สิ่งที่ขาดเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะ ที่จริงแล้วสิ่งที่ขาดก็คือขาดความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจขาดวิชานั่นเองนะขาดวิชาวิมุตต์ก็ความหลุดพ้นก็ไม่เกิดเอรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจปุ๊บนะวิมุตต์เกิดเองเลยจิตสลัดคืนรูปคืนนามให้โลกเลยนะเกิดขึ้นเองหลัาจากนั้นวิมุตติอันทัศนะจะเกิดมันจะทวนเข้าไปดูเลยว่ากิเลสอะไรล้างแล้ว กิเลสอะไรยังไม่ล้างกิเลสอันไหนล้างเด็ดขาดแล้วจนะเข้าไปเห็นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะมันจะไม่สงสัยนะไม่สงสัยว่าเราภาวนาถูกหรือภาวนาผิดอ่างเงี้ยเนี่ยเส้นทางเดินนะเริ่มตั้งแต่มีสติไปมีสติหายใจออกมีสติรู้สึกตัวไปใจเข้ามีสติรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจนะตรงที่เห็นร่างกายหายใจเนี่ยกายกับใจแยกออกจากกัน นะกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรากําลังเจริญกายานุปัสสนาอยู่หายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจไปจิตมีความสุขขึ้นมานะรู้ทันนะจิตเป็นคนดูเห็นเวทนาเกิดขึ้นจิตรู้ทันอันะนนี้เราเจริญเวทนานุปัสสนาอยู่นะนะเห็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายทํางานไปเรื่อยๆทั้งวันนะหมุนเวียนเต็มแลงไปเรื่อยๆ เนี่ยเราจเจริญธรรมานุปัสสนาอยู่ ร, รูปรูปรูนําไปไม่เห็นใจรักนะเข้าใจสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนนะตรงที่เราจเจริญธรรมานุปัสสนานะี่ยมันจะรู้ลึกเขา้าไปอีกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุกระทั่งนิวรณ์ไม่ใช่ไม่มีนิวรณนะ์ทำสติปัฏฐานเนะี่ยบางทีภูมิจิตภูมิธรรมเรายังไม่ถึงพานาคานิวรณ์ยังเกิดขึ้นมาอยู่นะ ในพรานนิวรเกิดจิตโมัวม่หมองหมองอย่างเงี้ยก็มีสติรู้อีกเรารู้เลยว่านิวรณ์เกิดจากอะไระทํำยังไงนิวรณ์จะไม่เกิดหรือเราพาวนาถูกนะพอดชมเจริญขึ้นเรื่อยๆเรารู้เลยพอดชงเจริญขึ้นเพราะอะไรเนี่ยรู้เหตุรู้ผลนั้นธรรมานุปัสสนานะไม่ใช่รู้แค่ตัวสภาวะแต่รู้เหตุรู้ผลของสภาวะด้วยนะรู้ไปจนเกิดทั้งแจ้ง กิจก็จะวางพอไหวไหมไม่ไหวก็ยากหน่อยก็ต้องเรียนนะยากสวันนี้ดีกว่ารอให้ไปยากสมัยที่พบพระเสียระยะเมตไตรถ้ายากสวันนี้ไปพบพระเมตไตรจะง่ายพอเจอท่านฟังเทศท่านนิดเดียวเราจะปิ้งเราก็จะลุกขึ้นเอาผ้าพ่าดบ่านะแจมแจ้งนักพระเจ้าข่า เหมือนเปิดของคว่ำให้หงายกตตอนนี้ฟังแล้วงงพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของหมายให้คว่ำยากไปก่อนนะอย่าบนว่ายากถ้าหาด้วยตัวเองยากกว่านีนะ้ถ้าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยากพอประมาณพออดทนพักเพียรทําต่อไปได้ สนุกไหมสนุกกว่าเ ม, มื่อเช้าไหมเมื่อเช้าพวกเราเป็นอะไรเมื่อเช้ารู้สึกว่าฝนตกจิตเสื่อฟังธรรมะยากมากเมาาื่อเช้าเนี่แล้วเมื่อเช้านี้มีชาวบ้านชาวบ้านหมายถึงคนที่ไม่ได้ภาวนาหนะมาเยอะเยอะธรรมะมันจะถูกกระทบกระเทือน งั้นเวลาเทศเนี่ยเทศยากอย่างนี้นะเขาจะกลัวเขาจะเข็ดไม่กล้าฟังเทศอีกตลอดชีวิตนะเมื่อเช้าเทศแบบเอาใจตลาดระดับล่างนะต้องเอาใจเหมือนกันเพราะพวกนี้วันหนึ่งจะต้องเติบโตขึ้นมาแทนพวกเราที่แก่ไปเจ็บไปตายไปนะก็ต้องให้โอกาสเท่าเหมือนกันที่เทศธรรมะประณีลึกซึ้งเกินไปนะ เขารับไม่ได้แล้วเขาไม่เอาอีกแล้วเขาขยานเหมือนเมื่อก่อนท่านพุทธทาสสอนนะคนที่รับได้มีน้อยมากเลยไม่เหมือนอาจารย์อื่นสอนนะหายใจไปพุทธทัวไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังบยอมรับง่ายเนะพาบอกไม่มีตัวกูของกูทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นฟังแล้วงงนะฟังแล้วก็รู้สึกท่านสอนเอาแต่ได้พูดเอาตามใจชอบนี่ว่ะทําได้ที่ไหนอ่นะ รู้สึกอย่างนั้นมั้นบางทีฟังธรรมะหลวงพ่อนะถ้าพวกเราพร้อมเนะี่ยธรรมะพวกมันก็จะเข้มข้นหน่อยถ้าจิตของคนฟังไม่ค่อยพร้อมนะ่ยธรรมะจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะเรียกว่าธรรมะเอาใจตลาดนะตัวอะไรขาดสติรู้สึกไหมสังเกตไหมว่าจิตพวกเรามีพลังขึ้นรู้สึกไหมจิตมีพลังรู้สึกไหม เ, เนี่ยธรรมะแท้ๆฟังนะ จิตจะเกิดพลังจิตจะมีพลังนะไม่รู้ ว, วิดีโอมันจะถ่ายได้อเปล่าพลังอันนี้ถ่ายได้แต่รูปเราเคลื่อนไหวไมันถ่ายพลังงานไม่ได้ต้องไปคิดใหม่นะทำไงจะถ่ายทอดพลังงานได้เดีนะ๋ยวเพราะเราขณะนี้จิตมีพลังนะมีความตื่นตัวนะจิตมีพลังมีความตื่นตัวแล้วอย่าทิ้งเปล่าๆเาจริญสติเลยนะ เห็นกายหายใจเห็นไหมร่างกายหายใจอยู่หายใจออกหายใจเข้าก็ช่างมันเถอะเห็นร่างกายหายใจเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูใจเรามีแรงแลใจมันก็ตั้งมั่นเป็นคนดูได้ถ้าใจไม่มีแรงใจตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ได้ตอนนี้ใจมีแรงเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่จิตเลรู้เข้า รู้สึกไหมร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมในะสังเกต ด, ดูมันมีความรู้สึกสุขทุกขเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายก็มีสุขทุกนะในจิตใจก็มีสุขทุกขแนะนําให้ดูในใจความสุขทุกขในใจดูง่ายเพราะไม่ได้อยู่หลายที่ความสุขทุกขทางกายอยู่ทั่วตัวเลยเดี๋ยวอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้จิตจะวิ่งกระชบับไปกระชับมาดูยาก นะถ้าเราดูเวทนาในใจเนะี่ยมันอยู่ที่ใจที่เดียวไม่ต้องไปดูที่อื่นนะรู้ตัวอยู่รู้ทันใจตัวเองอยู่สุขก็รู้ทุกก็รู้นะอย่างนี้ง่ายๆไม่วอกแวบไปที่ไหนนะเนี่ยถ้าเราเห็นเวทนาเห็นความสุขความทุกข์หมุนเวียนอยู่ในใจนะบางทีก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเราจเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่นะนะนะนะเนี่ยแล้วค่อยดูไปมีความสุขเขาก็พอใจ อย่างใจเรามีพลังเนี้ยเราพอใจรู้ว่าพอใจนะเนี่ยเราจเจริญจิตตานุปัสสนาสติปทานอยูนะ่แล้วเราจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยใครดูไปนี่ขึ้นมาทำานุปัสสนาล้วเห็นความจริงของสภาวะธรรม ค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปถ้าทําไปเรื่อยๆมรรคผลไม่ไปไหนหรอกะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรายัางเจริญสติปัฏฐานอยู่นะโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยยังมีอยู่ถ้าไม่เจริญอยู่นะไม่มีทางดังนั้มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนะยี่สิบห้านาทีนี้เข้มข้นมาก คนแปลจะต้องเหนื่อยไปอีกหลายวันเลยยกเว้นเธอมเบรกขานะแปลไม่ออกแล้วตอนนี้หายใจไปก็แล้วกันทั้งทีมนะ <c oughs> หายใจไปก่อน <c oughs> อย่าหายใจทิ้งนะ่ <c oughs> อาไปนี้หลวงพ่อแตงแต่เจ็ดขวบฝึกอนาปนาสติ หายใจแล้วมีสติฝึกทุกวันตอนแรกๆฝึกไปเป็นแสงเป็นอะไรไปเป็นเล่นอะไรต่ออะไรเสียเวลาไปช่วงหนึ่งต่อมาเลิกแม่ออกนอกมีสติหายใจไม่ออกนอ ก, จออ ก, นอกเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สินเจอลุงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าไปทําอย่างนี้นเวลาสอนเพาจิตเราเป็นผู้รู้สังเกตไหมตอนนี้จิตเราพลาดไปสู่การเป็นผู้เพ่งแนละส่วนใหญ่ในห้องเป็นผู้เพ่งแนละ้วไม่ใช่ผู้รู้แล้วนะต้องเป็นผู้รู้นะอันนี้ไม่ใช่ผู้รู้นะนี่เป็นผู้เพ่งส่วน อย่างที่เป็นผู้หลงนะอย่างที่ยาวเป็น น, นะนผู้หลงนะงรู้สึกนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆแค่ครึ่งชั่วโมงพอสมควรลนะเครึ่งชั่วโมงนี้ยนะถ้าเอาไปทํานะทํำกันทั้งชาติเลยที่ทําข้ามหกข้ามชาติเลยนะแต่ถ้าทําไม่เลิก ทำให้เจริญทําให้มากต่อไปโพชฌงเจ็ดก็จะบริบูรณ์เจริญโพชงไปเรื่อยนะก็ทําทอย่างนี้แหละพโพชงมันเจริญเองนหละถึงวันหนึ่งวิชาอะไรไว้มดุดก็บริบูรณ์จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ร, รู้ว่าอะไรคือทุกรูปนามนี้คือทุกนี่คือรู้ทุก พอรู้ทุกข์แจมแจ้งแล้วนะจิตเป็นกลางต่อทุกข์นะสมุทัยจะไม่มีสมุทัยจะไม่เกิดอีกเมื่อไหรรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อนั้นละสมุทยเมื่อไรลสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธคือแจ้งผลิตพานเกิดขึ้นทีเดียวกันพอรู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์ก็ลาสมุทัยในขณะนั้นเลยทันทีที่ล้าสมุทัยในขนาดนั้นก็แจ้ง นิพพานในขณะนั้นเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้นิพพานไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพาไปด้วยไม่ใช่นะนิพพานนี้ยังอยู่อย่างนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยไม่มีเกิดไม่มีดับอยู่ต่อหน้าต่อตาในจิตไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเพราะจิตเนยเห็นได้แต่ความปรุงแต่งนะยังไม่เห็นสิ่งที่พ้นกับปรุงแต่ง ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเราได้โสดาสักตาคาได้อนาคาอย่างเงี้ยเวลาเราจะเข้าไปเห็นนิพพานเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาเช่นเราหายใจไปเห็นรูปมันหายใจจิตมันจับอยู่ที่รูปที่หายใจพอรู้ตรงนี้ว่าจิตจับรูปอยู่นะจิตจะวางรูปแล้วจิตจะมาจับจิตมาจับนามนะแล้วต่อไปรู้ว่าจิตจับนามอยู่จิตจะวางนามนะิสัมัสพนิพพาน วางรูปนามถ้าพาระอรหันต์จะทำนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการตัวนี้เพราะจิตไม่ได้ยึดรูปนามอยู่แล้วะแค่มานัสิการตึงนิพพานก็พักผ่อนเลยนี่พวกเรายัางไม่ได้ของเล่นอันดีอันนี้นะฝึกไปยังอนาถาอยู่ยังยากจนอยู่นะอนาถาก็ว่ายัางไม่มีที่พึ่งเรายัางไม่มีที่พึ่งนะ เรายัางเวียนไหวตายเกิดยังช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะดีหรือจะเลวลงนี่ว่าเรายัางไม่มีที่พึ่งถ้าวันใดที่เราเข้าใจธรรมะได้โสดาแล้วเรามีที่พึ่งแล้วมันมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าถ้าตายไปนะก็จะดีกว่านี้อีกไม่มีเลวลงมีแต่ต้องดีขึ้นใจมันมีที่พึ่งมีที่อาศัยมีความอบอุ่นมั่นคง ของวิเศษอย่างนี้ต้องทำออกนะฟังธรรมะมามากแล้วต่อไปนี้ปฏิบัตินะมีสติเรื่อยๆถ้าไม่ปฏิบัติฟังไว้อย่างเดียวก็จำไว้เอาไว้คุยอวดกันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ไดนะ้สันรู้สึกไหมหลงนะแล้วก็บังคับอยู่รู้สึกไหมนะไม่หลงก็เพ่งหมสลับไปเรื่อยให้รู้ทันเอานะ ต่อไปในืจะให้พระท่านสวดมนต์ให้ฟังให้พวกเราทำอานาปานสติไปฟังพระสวด น, นะมีสติรู้ไปรู้การหายใจของเราไปนะเวลาที่พระสวดมนต์จะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะถ้าเรามีใจที่เคารพนอบน้อมในพระรัตนตรัยอยู่เราจะสัมผัสพลังงานที่ดีการพอนามจะง่ายนะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่พลังงานไม่ดี มันทอนายากนะยังไปอยู่ตามศูนย์การค้าเงี้ยนะเสียงก็ดังคนก็เยอะเออารวยวัยวัยรุ่นก็เยอะอะไรเนี่ยนะมีพลังงานที่ไม่ดีใครไปทรงสมาธิอยู่ในศูนย์การค้าได้นหนวพ่อย่งย่องเลยหลวงพ่อตอนหันใหม่ๆยังไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วยเลยในที่ที่แย่ขนาด น, นั้ น, น, น <ะ S 2> เราอยู่ในแวดวงของครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะอยู่ในที่ที่ดี การเจริญสติสมาธิปัญญาง่ายอันนี้ถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็มีเวลาของเราเวลาส่วนตัวเวลาปฏิบัติของเรานะถึงเวลานี้เราภาวนาเราวางงานอื่นซะหมดเลยเนี่ยเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีลนะสสำหรับตัวเองนะวางภาระทั้งหลายลงไปแล้วเจริญสติไปวางภาระไม่ได้แปลว่าไม่ทำงาน หมายถึงวางเรื่องจุกจิกควรใจทิ้งนะอย่างทำงานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยนะรดต้นไม้อาบน้ำให้หมาอะไรเงี้ยทำงานไปมีสติไปนี่เวลาปฏิบัตินะฝึกนะอยากได้ของดีของฟรีไม่มีต้องฝึกเอานะอะนิมนต์ Om t a e Sat. Om Tat s Nam mô A Di Đà p h ậ i n t h a e ส eh ุดแนง่ายดาย ด เ, เดี๋ยวจะไปเลี่ยนเทียนกันนะเวียนเทียน ไม่ใช่แค่อามิสบูชามีดอกไม้ทุกเทียนเราเดินไปนะมีสติไปเราปฏิบัติบูชาเมื่อเวียนเทียนวัดหลวงพ่อเราได้แค่อามิสบูชานี่ถือว่ากระจอกหรือว่ากระจอกมากงินต้องปฏิบัติบูชานะเดินไปด้วยความรู้สึก เราเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะที่จริงวันนี้หลวงพ่อไม่ได้แจกปลานะให้พวกเราฝึกจิตของเราให้เป็นปลาเราเองที่จริงมีล็อกเกตอยู่นะเพิ่งขอประสานเข้ามาแต่ไม่แจกทําไมไม่แจกเสียดายไม่ได้เสียดายล็อกเกตนะเสียดายบรรยากาศ ที่พวกเราตั้งใจภาวนาพอเริ่มมีการแจกเนี่ยจิตของพวกเราจะเปลี่ยนจากจิตที่สูงอย่างขณะนี้จิตเราสูงนะเราจะเป็นจิตเบลตขึ้นมาทันทีเลยเป็นเรื่องน่าเสียดายให้หลวงพ่อดูหน้าใสๆตาใสาๆรู้เนือ้อรู้ตัวมีความสุขเนี่ยอย่างนี้น่าดูกว่า ไม่งั้นเราต้องเห็นเปลิดเปลิดบางคนขอเผื่อสามีเผื่อลูกลูกสามคนหลานขอหลายเจเนอเรชันเสียบรรยากาศเราสาฟังธรรมนะสาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจิตของเาพวกเรามีพลังนานๆจิตเราจะมีพลังแบบนี้สักครั้งหนึ่ง ใครรู้สึกตัวไหมว่าวันนี้จิตมีพลังนะทาไมจิตไม่มีพลังง่ายรอบนี้คนข้างนอกทำชั่วน้อยลงเวลาวันพระใหญ่มาค้าอีสาขาอาสานหาอะไรเงี้ยคนข้างนอกเขาทำชั่วน้อยลงบรรยากาศมันสะอาดขึ้น ปีหนึ่งจะมีบรรยากาศที่สะอาดสัก3ามวันสี่วันเท่านั้นแถมวันเข้าพรรษาอีกหน่อยหนึ่งนอกกนั้นจะเป็นบรรยากาศที่โศกหลเ ง, งินวันคืนซึ่งมีความสะอาดหมดจดอย่างเนี้ยหายากพวกเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะปฏิบัติบูบชาพุทธเจ้าไปรู้สึกไปภาวนาไปหายใจ เราดึกถึงปุถุเจ้าจิตใจจะมีกําลังถ้าใจเราคิดถึงท่านเรื่อยๆ เ, เราจะเข้าใกล้ท่านเรื่อยเื่อใกล้เข้าไปเรื่อยเรื่อยถ้าใจเราไปอยู่กับโลกหลงแต่โลกเราก็าจะไกลท่านงั้นท้าเมื่อไหร่ใจเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราเข้าถึงตัวท่านละท่านถึงสอนบอกว่าถึงจับชายจีบอลท่านอยู่นะแต่ไม่เข้าใจธรรมะ ก็ถือว่าไม่เห็นท่านเราไม่ได้เห็นรูปกายของพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นกายที่เหลืออยู่นะคือธรรมะไม่อยากใช้ควาว่าธรรมกายที่จริงคือธรรมกายนะมีกายของธรรมที่เหลืออยู่ที่พวกเราจะสัมผัสงี่นเราภาวนาจิตใจเราเค้าเคลียอยู่กับธรรมะ เราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็เข้าถึงใช้คล้ายจับกีวอท่านได้แล้วจับชายกีวอได้นอกจากการปฏิบัติแล้วไม่มีทางเลยที่เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าาองปฏิบัติแล้ววันหนึ่งจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงเดจะให้พระท่านนำแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญ นะพวกเรานึกถึงพระเจ้าอยู่หัวพระ อ, องค์ก่อนด้วยนะเราจะชุมนุมกันเนี้ยครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยเแค่จะถวายพระเพลิงพระบ ร, ร, ะบรมศพแล้วเนธะงานเนี้ยที่เรามาชุมนุมกันเยอะๆได้ปฏิบัติจิตใจของเราดีนะวันต่อๆไปจะไม่มีอย่างนี้เพราะว่าเราจะฟังเทศเฉยๆก ว, ว่าเราจะมาชุมนุมปฏิบัติบูชาอย่างนี้อีกทีหนึ่ง มันมาคาบูชาเลยงานท่านไปแล้วนะงานนึกถึงนะแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปให้สัสตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ต้องกลัวบุญหมดบุญนี่เป็นของแปลกยิ่งแผ่ออไปนะแล้วมีผู้รับเนี่ยกระแสของบุญยิ่งมากขึ้นมากขึ้นพลนะังงานของบุญจะยิ่งเพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะบางคนไม่อยากแผ่ส่วนบุญครัวบุญของตัวเองหายอันะนั้นใจแคบ บุญมันเหมือนกับเรามีเทียนเนี่ยเรามีเทียนคนละเล่มเทียนของเรามันสว่างได้นิดเดียวแต่ถ้าเราต่อเทียนนี้ไปให้คนอื่นจุดไฟขึ้นมาแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นในภาพรวมอย่างวันนี้คนทำชั่วน้อยลงนะแสงสว่างในบ้านเมืองนี้มากขึ้นนะโชอากาศที่มันสบายปฏิบัติง่ายเป็นวันที่ปฏิบัติง่ายนะลงมือปฏิบัติ เราจะได้กำไรให้มากๆนี่มอนไะมครับ บ้านนะ